ของอริยชนกว้างและสว่างทั้งพึ่งตนได้และคนทั้งหลายก็ช่วยหนุนกันบุคคลที่มีศรัทธาแน่วแน่มั่นใจในพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์เสียงชักจูงจากภายนอกหรือแม้แต่ความพันผวนรวนแปรในชีวิตที่เรียกว่าโลกธรรมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโชคเคราะห์ทั้งหลายไม่อาจทาให้หวันไหวคลอนแคลนได้ จิตใจของเขาเป็นเหมือนคนมีสุขภาพดีแข็งแรงช่วยตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ต้องหวังพึ่งอำนาจโดนบันดาลจากภายนอกเขาหวังผลจ ก, กรรมคือการกระทาด้วยความเพียรพยายามตามเหตุปัจจัยถ้ามีปัญญาเจริญถึงขั้นรู้เข้าใจหลักการแก้ไขปัญหาดับทุกข์ตามแนวทางแห่งสัจธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสีประการอย่างชัดเจนและดาเนินวิธีแก้ไขปัญหาดับทุกข์นั้น ตามมักที่เรียกว่าอาริยะอสดากิกมักเดินหน้าแน่วไปบุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้เข้าสู่กระแสแห่งทางดับทุกไปสู่ความเป็นอิสระเสรีที่แท้จริงเริ่มเข้าสังกัดในสังคมแห่งอริยชนเป็นคนมีการศึกษาเรียกว่าอาริยบุคคลขั้นที่หนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าโสดาบัน เรื่องนี้ว่าตามแนวปฏิบัติของชาวพุทธยอมรับความจริงว่าเมื่ อ, อยังไม่เป็นโสดาบันย่อมเป็นการยากนักที่คนจะช่วยตัวเองในทางจิตใจได้ตลอดไปทุกเวลาดังนั้นสำหรับคนที่ยังหวังพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์การดลบันดาลและโชคชะตาท่านจึงใช้วิธีแบนทิศทางเข้ามาสู่ธรรมะโดยการปายวิธีแก้ แทนที่จะให้ไปสะเดาะเคราะห์บวงสงอ้อนวอนก็ให้สะเดาะอย่างใหม่โดยให้ผู้นั้นทําการเสียสละตนในทางที่เป็นคุณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไปบริจาคบํารุงสาธารณกุศลไปสะละแรงงานทําสาธารณประโยชน์เป็นต้นแม้แต่หมอดูที่ใจมาทางพุทธก็จะแนะนําให้แก้ไขโชคชะตาด้วยการไปทำบุญทำทานรักษาศีล ร, รักษาอุโบสถเป็นต้น การที่ให้ทำเช่นนั้นบางทีท่านสืบลึกลงไปถึงว่าบัดนี้เทพไทยเทวาที่เขาอ้อนวอนหวังพึ่งนั้นโดยเฉพาะในประเทศไทยนี้ล้วนเป็นผู้ที่ได้นับถือพระพุทธศาสนากันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วซึ่งส่วนมากก็เป็นชาวพุทธตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์ดังนั้นเทพเหล่านั้นจึงพอพระทยที่จะเห็นคนทาสิ่งที่ดีงามเป็นคนนประโยชน์ยิ่งกว่าจะไปทาอะไรที่เลวไหลไร้าสาระ ส่วนคนทั้งหลายนอกจากนั้นผู้ยังไหว้วนหมุนเวียนใต้กระแสครอบงำของโลกธรรมวันใว้ไปตามโชคเคราะห์มีศรัทธาที่ยังง่อนแง่นไม่มั่นใจตนเองบนฐานแห่งคุณพระรัตนตรัยจิตใจเหมือนคนที่มักเจ็บไข้อดแอดช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ต้องคอยอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคนเช่นนี้ยามเก่งยามดีก็เข้มแข็ง แต่พอถูกมรสุมชีวิตอย่างแรงก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้ต้องเลือกระหว่างการทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสหรือหันไปหากรรมสุขที่แรงขึ้นมีสิ่งมึนเมาเสพติดเป็นต้นหรือยอมพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออำนาจดลบดาลบ้างหวังผลจากมงคลบ้างจากโชคชะตาบ้างพอกลบเลือนชดเชยปลุกปลอบกันไปโดยไม่รู้ทางออกที่ถูกต้อง ยังไม่มองดูรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยทำใจให้ลอยพ้นกระแสะโลกไม่ได้ในการดำเนินชีวิตคนในระดับการพัฒนาขั้นนี้ก็จะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งถ้าไม่อยู่ข้างหมเมาการมาสุขเห็นแก่จเจสเตบบำรุงบำเรอตนก็เฉียดไปข้างเข้มงวดบีบรัดตนเองด้วยระบบหรือแบบแผนวิธี ที่ถือม่านเอาไว้โดยงมงายไม่ดำเนินตรงไปในมันชฌิมาปฏิปทาคนเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าเป็นปุทุชนถ้าเป็นคนห่างไกลอริยธรรมมืดบอดเสียทีเดียวไม่รู้จักดีชั่วดำเนินชีวิตโดยสักว่าตันหาพาไปไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ปัญญาพร้อมที่จะเบียดเบียนไม่ว่าใครๆเพื่อเห็นแกตนก็เรียกว่าอันธพาลปุตุชน แต่ถ้าเป็นผู้รู้จักอริยธรรมได้แววเสียงกูเรียกของอริยชนแล้วเริ่มดำเนินชีวิตดีงามมีศีลธรรมประกอบด้วยกุศลกรรมมาบทสิหรื อ, อยังน้อยดำเรงอยู่ในสาระแห่งศีลห้าก็ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณปุทุชนคือปุตุชนที่ดีงามหรือเป็นสุตตวันอริยสาวกคือผู้สดับศาสตร์แห่งอริยชน ตั้งตนที่จะเดินเข้ามาใกล้อริยมรรคาข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์หรือวิธีแก้ไขปัญหานี้เรียกชื่อว่ามรรคเพราะเป็นเหมือนหนทางที่นำไปสู่จุดหมายชื่อว่ามีองค์8ดเพราะเป็นทางสายเดียวแต่มีส่วนประกอบ8ดอย่าง การเดินทางสู่จุดหมายจะสำเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง8อย่างนั้นทำหน้าที่คอยเสริมกันและประสานสอดคล้องพอเหมาะพอดีความพอเหมาะพอดีและตรงสู่เป้าหมายนี้อาศัยปัญญาที่เห็นชอบหรือรู้ข้อใจถูกต้องช่วยส่องทางชี้นำให้มักนั้นจึงมีสัมาธิฏฐิเป็นองค์ประกอบข้อแรก ในฐานะเป็นข้อปฏิบัติพอเหมาะพอดีที่จะให้ลั่นตรงสู่เป้าหมายมรคนี้จึงเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางซึ่งสังเกตง่ายๆโดยลักษณะที่ไม่เอียงเข้าหาที่สุดทั้งสองคือไม่ใช่เห็นแก่จะสแสวงหาสิ่งเสพมาบำรุงบำเรอปรนเริตนมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในกามาสุขโดยไม่คำนึงถึงรอื่น และมีใ่หันเหไปสุดทางตรงข้ามมุ่งหน้าทำการบีบราดเข้มงวดเอากับตนเองหาทุกขมาทับถมตัวเหมือนดังว่าเบื่อหน่ายเกลียดชังตัวตนการปฏิบัติตามมรรคนั้นจะเริ่มต้นได้และจะดำเนินต่อไปด้วยดีต้องอาศัยปัจจัยสองอย่างเป็นเชื้อชนวนและเป็นเครื่องหล่อสนับสนุนเรียกว่าปัจจัยแห่งสมาธิสองประการ อย่างแรกเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมได้แก่ประตโตโขสะที่ดีคือเสียงหรือการชักนำแรงกระตุ้นเราและอิทธิพลจากผู้อื่นโดยเฉพาะที่เรียกว่ากัลยานมิตรเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์พระภิกษุสงฆ์คนมีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จด้วยความดีและบุคคลอื่นๆ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีงามน่าเลื่อมใสทั้งที่ใกล้และไกลซึ่งจะช่วยอบรมสั่งสอนและแนะนําให้คําปรึกษาหารือหรือเล้าจิตจูงใจให้ฝ่ายนิยมในสิ่งดีงามและให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยอาศัยศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อชูนิยมนับถือเป็นสิ่งชักนําตลอดจนช่วยกระตุ้นชี้แนะ ให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยตนเองอย่างที่สองเป็นปัจจัยภายในคือองค์ประกอบในตัวบุคคลได้แก่โยนิโสมนาสิการคือการทำในใจโดยแยกขายหรือความฉลาดคิดคิดเป็นคิดถูกวิธีรู้จักคิด รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้ตรงตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมีปัจจัยสองอย่างนี้ช่วยปลุกเราและส่งเสริมสัมมาทิฏฐิก็มั่นใจได้มากว่าการปฏิบัติธรรมหรือการดาเนินชีวิตจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอุส ร, รธรรมทั้งหลายที่เป็นองค์มรรคข้ออื่นๆก็จะเจริญงอกงามไปกับปัญญาด้วย เป็นปลายเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นพร้อมทั้งเดินหน้าไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาโดยในยะนี้ศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรยัยความรู้ในอริยศาสตร์และการปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมองแปดนี้จึงเป็นเครื่องป้องกันหรืออย่างน้อยก็บรรเทาการดำเนินชีวิตการปฏิบัติ ต, ต่อความทุกข์ และการแก้ไขปัญหาในทางที่ผิดทุกอย่างทุกด้านทั้งนี้ไม่ว่าทางผิดนั้นจะมีมาในรูปแบบใดๆเช่นในรูปของการลืมสติหลงฟั่นเฟือนปล่อยตัวปล่อยใจให้เลื่อนลอยไหลไปตามอำนาจของความทุกข์ความคับแค้นโศกเศร้าบ้างการหลอกตัวเองให้ลืมทุกข์ด้วยการกดตัวให้จมลึกลงไปในการมาสุกมากยิ่งขึ้นบ้าง การหันไปหวังพึ่งอำนาจเร้นลับภายนอกอ้อนวอนสิ่งดนบันดาลหรือรอคอยโชคชะตาบ้างการประกอบธุจริตต่างๆบ้างการหันออกไปลุกรานระบายทุกแก่ผู้อื่นเที่ยวเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่คนทั้งหลายบ้างการเครยดแค้นจิงชังเบื่อตัวอันกลับเข้ามาบีบคั้นทรมานลงโทษตนเองบ้างมัก ซึ่งหนุนด้วยศรัทธาที่ถูกต้องนี้ทำให้ดมรงอยู่ในสุจริตประพฤติการที่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่นตนเองและผู้อื่นทำให้เผชิญสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้มแข็งมั่นคงมีใจสงบดมเนินชีวิตแก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ด้วยความมีสติใช้ปัญญาและเพียรพยายามจัดการไปตามวิถีทางแห่งเหตุปัจจัยแม้อย่างอ่อนแอที่สุด เมื่อไม่อาจช่วยตนเองได้ลำพังก็รู้จักเรื่องหากัยาณมิตรที่จะช่วยปลุกเร้าใจให้กล้าหาในกุศลธรรมและที่จะช่วยชี้แนะให้เกิดปัญญามองเห็นเหตุปัจจัยเพื่อแก้ไขได้โดยถูกทางกิจหรือหน้าที่ต่อมาได้แก่ภาวนาคือการพัฒนาฝึกปรือทำให้เป็นให้มีปฏิบัติหรือลงมือทำ แต่การเรียกมัคว่าเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นการปฏิบัติธรรมบางครั้งก็ทำให้เข้าใจความหมายของมัคแคบเกินไปซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งความจริงนั้นมัคมีความหมายครอบคลุมธรรมะภาคปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาครอบคลุมคําว่าจริยธรรม หรือเป็นระบบจริยธรรมทั้งหมดรอบคลุมการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามทั้งหมดดังชื่อที่ใช้เรียกมักอย่างหนึ่งว่าพรหมจรยิยะหรือพรหมจันทร์ซึ่งแปลได้ว่าการครองชีวิตประเสริฐหรือชีวิตประเสริฐนั่นเององค์ประกอบทั้ง8ของมัคสามารถนําไปแยกแยะกระจายเนื้อหาออก และจัดรูปร่างระบบใหม่โดยมีจุดเน้นจุดย้ำต่างแห่งต่างที่กันให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมระดับนั้นๆดังตัวอย่างที่เห็นง่ายๆเช่นว่าจัดให้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเน้นความประพฤติที่แสดงออกภายนอกมากกว่าเรื่องทางจิตใจชุดหนึ่งเรียกว่ากุศ ล, ลกรรม บ, บทสิบ จะแสดงตามแนวปฏิบัติชนิดที่มุ่งตรงเข้าสู่จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาโดยเน้นหลักธรรมระดับวิปัสนาปัญญาชุดหนึ่งเรียกว่าวิสุทธิเจอย่างนี้เป็นต้น